พระศาสดาพระนามว่าพุทศก็อุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคย้าพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีเนะเช่นกับพระเวสสันดรเป็นต้นนั่นแหละบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระขันของพระนางสิริมาเทวีอัคราเมเหสีของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีกาสีนี่ก็คล้ายเมืองพารณสีพารณสีนี่มีชื่อแขวนกาสีแต่คนคนละกลับกันนะ ปกครองอยู่ในพระคันจนกําหนดครบถ้วนทศมาศประสูติจากพระคันของพระชนนีสริมาราตประสูตินะสริมาราชุทยานพระองค์ก็ครองคาวาสวิสัยอยู่900าปีได้ยินว่าพระองค์นี่มีปร า, าสาทสมหลัง น, นะครุฑหะปักขะหรือปร า, าสาทครุฑปร า, าสาทหงและก็สุพรรณภาระเนี่ยนะหรือว่าสุวรรณดารา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 มหาอภิเีสกลมผนวดมหาชนประมาณโกฏหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์อันที่สุดเหล่านั้นแวดล้อมทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หเดือนจากนั้นพระองค์ก็ละหมู่คณะเพิ่มความประพฤติแต่ลําพัง น, นะหมายว่าเพื่อวิเวกนะนะคือนนะบริวารมากขนาดนั้นในที่สุดพระองค์ก็วิเวกละจากหมู่คณะอยู่ลําพังเพียงพระองค์เอียวพระองค์เดียวในวันวิสาขาปุรีวันเพ็ญเดือนหตอนเช้า พระองค์ก็เสวยข้าวมาทุปายาที่นางสิริวัฒาทิดาของเศรษฐีผู้หนึ่งในนครแห่งหนึ่งถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าศรีสะปาวันเวลาเย็นพระองค์ก็รับญา8ดกรรมที่อุบาสกชื่อว่าสิริวัฒน์ถวายพระองค์ก็เสด็จไปยังโคนโรพพฤกชื่อว่าต้นอามลกะชื่อว่าต้นมะขามป้อม พระองค์กําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารแล้วก็บรรลุพระสัพพัญญุตยานเมื่อบรรลุสัพพัญญุตยานพระองค์ก็ไม่ละพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อุทานออกมาก็คืออเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิภิสังคะกาลังคเวสันตโตทุก ข, ขาชาติปุณัปุณังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งอยู่ใกล้โพเพิกประมาณเจ็สัปดาห์ พระองค์ก็เห็นนะสัปดาห์ที่8พระองค์ก็เห็นภิกษุโกรธหนึ่งบวชกับพระองค์นะนะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะอยู่บริเวณต้นโพ7สัปดาห์นันนะอ่าชนผู้บวชกับพระองค์เนี่ยนะเนื่องจากองค์3ตรวจดูอุปนิสัยว่าเขาเป็นผู้มีความสา ม, มารถที่จะแทงตลอดพระธรรมได้ก็เสด็จไปทางอากาศนะพระองค์เสด็จลงที่ป่าอิเศตปัตนามฤุกทายวัน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 น, นันลักษณะของตันหานั้นจึงเชื่อรกชัดเหมือนชัดคําว่าชัดที่นี่มันเหมือนกับป่าไผ่ป่าป่าไผ่ที่ถ้าว่าต้นไผ่กอใหญ่ๆเนี่ยนะถ้ามันอยู่ติดๆกันและเป็นไผ่ที่มีน้ําด้วยเนะี่ยโหยากจะแหวกยากตันหาก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าเขาบอกว่าตันหานี่นะมันรกชัดแบบนั้นแต่ถ้าไป ผลของตันหาผลิตออกมาเนี่ยนะถ้ามันเป็นเหมือนกับน้ำให้มันก็เกาะเกี่ยวแต่แล้วก็เจ็บปวดโซโกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตไหลไปน้ําตาจึงเท่าว่าถ้าหากว่าน้ําตาเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เหมือนมเมล็ดอะไรสักแห่งนีงสายเราเดินเหยียบแต่น้ําตากันนะทักษิณเดินเหยียบแต่น้ําตาเนี่ยไปเอาหยดน้ําตานี่มาสร้างเป็นถนนได้ไม่รู้กี่สายถ้าหยดน้ําตาเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยทัก ส, สร้างถนนได้ไม่รู้กี่สายต่อกี่สายแล้วนะ ตัณหานั้นเรียกว่าชะตาชะตาแปละวะ่าชัดะนะอันโตชตาพหิชตาอย่างที่เทวดาท่านหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาถูกตัณหาที่มันรกชัดอย่างนี้แล้วอ่ะจะสะสางตัณหาเหล่านั้นได้อย่างไร โปรงก็บอกว่าสีเลปฏิทหายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวะยังอาตาปีนิปโกพิคุโสอิมังวิชาตาเยชตังน่ะนะก็กล่าวถึงวิธีการสร้างรกชัดตามวิสุทธิมัตนะะวิสุทธิมัต ก, ก็กล่าววิธี ส, สางชำระรกชัดพราะคําว่าที่เรียกตันหาที่เรียกว่ารกชัดเนี่ยเพราะว่ากล่าวคือขนมร่างแหคือมันเหมือนกับร่างแหที่คลุมด้วยได้ใครเคยมองเห็นแหมาแหหรืออวนเนี่ยนะมันหมายมัน ชัดแบบนั้นแล้วแท้แม่มันไม่ใช่ชั้นเดียวเนไม่รู้กี่ชั้นดอกกี่ชั้นกี่ชั้นและมันก็เกิดบ่อยๆร้อยเอาไว้ด้วยตันหาเบื้องล่า ง, นนงเบื้องบนอัทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องบนในอารมณ์ทั้งหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโรภชพะทำอา ร, รมณ์ในรูปทั้งหลายตันหามันชอบสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดํามันชอบได้หมดอ่ะไม่มีส่วนเหลือตันหานี่มันรกชัดอย่างนั้นพระองค์ก็สะสางชําระเบ็ดเสร็จด้วย น, นะพระขันคือปัญญาเนี่ยนะที่รับดีแล้วด้วยสมาธิใช้มือคือศรัทธาเนี่ยนะจับให้มั่นยืนบนแผ่นดินคือศีลด้วยสองพระบาทคือวิริยะฟาด ฟ, ฟันตัดรกชัดอันนั้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่มีบ่วงทนะํทำลายรกชัดสะสางได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็แสดงทมให้สัพสัดอิ่มด้วยธรรมคถากล่าวคืออมะตะทาให้ตกลงมา ครั้งพระเจ้าสิริวัถนกรุงพาราณสีนะ น, นะกาสีกับพาราณสีี่แคว้นเดียวกันชื่อเมืองนี่ชื่อเมืองกราพาราณสีแคว้นชื่อว่าแคว้นกาสีเห็นไยังก็แบบอะไรนะชื่อเมืองหลวงกับชื่อแผ่นดินเนี่ยนะนก็คนละอย่างชื่อแผ่นดินก็แผ่นดินกาสีนะหรือว่าจางังโกศลชนบทแต่ว่าเมืองชื่อว่าสาวัตถีอย่างงี้ยนะ อย่างสมัยใหม่ก็แล้วนะอย่างทางอินเดียเขาบอกว่ารัฐนี้ชื่อว่ารัฐอะไรเช่นว่ารัฐพิหารเมืองหลวงของรัฐพิหารชื่อว่าอะไรหรือว่ารัฐอุตรประเทศเมืองหลวงของอุตรประเทศ ช, ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรที่ไปยืนที่ไปตาหรือกันอยู่สถา น, นีรถไฟทั้งหลายชั่วโมงกันแหละลักเ now กันนะน อ, นนะอันนั้นเมืองหลวงของแคว้นกาสีสมัยปัจจุบันอยู่ที่เมืองลักเนา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 ส่วนครั้งที่พระองค์แสดงธรรมโปรดอนุปมะกุมารพระโอรสของพระองค์อันนี้ก็เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ตามครั้งที่สามมีจำนวนสัตว์8ล้านเน้นอรหันต์ะนะอภิสมัยครั้งที่สองได้มีกษัตริย์9ล้านครั้งที่38ล้านต่อมาพระสุรคิตราชโอรสและธรรมเสนกุมารบุตรปุโรหิตนกันนุกอ่ะ กันนะกุฉชนะครเมื่อพระพุทตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงนครของตนก็ออกไปรับเสด็จพร้อมด้วยบุตรหกล้านถวายบังคมแล้วก็นิมนต์ถวายมหาฐานเจวันสดับธรรมกถาของพระทศพลแล้วก็เลื่อมใสพร้อมกับบริวารก็พากันออกบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุ6ล้านเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตประชุมอรหรันตสาวกครั้งที่หนึ่ง ต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพุทธวงศ์ในสมาคมพระญาติประมาณ60ของพระเจ้าชัยเสนกรุงกาสีชน5ล้านฟังพุทธวงศ์นั้นแล้วก็พากันบวชด้วยเอหิพิคุบันปชาอานะก็เพราะว่าที่ว่าฟังพุทธวงศ์และออกบวชนี่เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะมีวงมานะพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะเนี่ย มันก็เริ่มสายว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ทางเป็นที่พ้นทุก์แน่แท้แล้วก็ออกบวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางพิสูจนเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาบุรุษสี่ล้านฟังมงคลคาถาในมหามงคลฟังมงคลสูตรนั่นแหละในสมาคมนั้นก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จอยู่ท้ามกลางพิสูจนเหล่านั้น ยปาติโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสนิบาตครั้งที่สด้วยเหตุนั้นในพุทธวงศาถากล่าวว่าพระพุษฏะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสนิบาตประชมพระสาวกขีนาะศู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่สามครั้งประชมพระสาวกหนึ่งล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่1ประชมพระสาวกหล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่สอง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 ทรงพระไตรปิฎกตัดธรรมกะถาแก่มหาชนและบำเพ็ญศีละบารมีพระพุทธพระปุษฏะพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากร์พระโพธิสัตว์นั้นว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่พระองค์ตรัสเล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าวิชิตาวีละราชสมบัติใหญ่บวชในสำนักของพระองค์พระปุทฏะพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกพระองค์นั้นพยากรณ์เราว่า9ก้กับนับแต่กับนี้ ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็พยากรทุกประการพระพุทธเจ้านั้นเมื่อได้รับพยากรอย่างนั้นก็เล่าเรียนพระสูตรส่งพระวินัยและนวังคาตศาสตร์ทั้งหมดอย่างพระาศาสนาของพระชินท์เจ้าให้งดงามอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เชน่นกับพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้จึงรักพระธรรมวินัยของ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 พระโพธิสัตว์เนี่ยนะในสมัยพระพุทธเจ้าผุษะพระองค์อยู่อย่างไม่ประมาทอย่างพระศาสนานั้นให้เจริญเสร็จแล้วพระองค์ก็เจริญพรหมิหารภาวนาถึงฝั่งแห่งอภิญญาไปสู่พรหมโลกรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุษะนั้นพระองค์มีนครชื่อว่ากาสีพุทธบิดาพระเจ้าชัยเสนพุทธมารดาพระนางสิริมาคู่อัครสาวกพระสุรคิดและพระธรรมเสนอุปถากของพระองค์ เชื่อว่าสพยะอัครสาวิกาพระจาราและอุปจ า, าราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าอมล ก, กะต้นมะขามป้อมสรีระสูงห้าดศอกพระชนมายุของพระองค์90 0 0หมื่นปีอัคราเมหสีชื่อว่าพระนางกีสาโคตมีพระโอรสชื่อว่าพระอนุปม ะ, สะเส ด, ดอภิเนสกรมด้วยยานช้าง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 คนละยุคคนละสมัยคนละกับห่างกันเก้าบกัปพระปุษสะสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานณวิหารเสนารามกรุงกุสินาราได้ยินว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราเกี่ยวกับเรื่องของพระปุษสะพุทธเจ้าหรือ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 นรกเขาบอกว่าบุญมันยังให้ผลได้ตั้งหลายกลับใช่ไหมนรกมันก็ตกได้ทีหลายๆลายกลับเหมือนกันหมายว่าตายจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรก ต, ต่อไปเนี่ยนะสืบทอดทิศทางแห่งนรกเนี่ยนะได้เป็นหลายๆกลับเหมือนกันข้อความในคาถาธรรมบทเนี่ยนะย ม, มะกะวะัตเรื่องเรื่องสันชัยเนี่ยนะทีะ่ประวัติของพระเชดินสามพี่น้องเนี่ยนะพระชดินสามพี่น้องเนี่ยท่านเคยบำเพ็ญบารมี ในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสะเนี่ยนะหรือปุดสะพระองค์นี้เหมือนกันคือพระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระพิสุทั้งหลายฟังในคาถาธรรมบทว่าเมื่อเก้าสิบสอกับนับถอยหลังจากกับนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์คือพระพุทธเจ้าติดสะกับพุทสะอุบัติขึ้นในโลก น, นะพระราชาพระนามว่า มหินทะได้เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหินทะเนี่ยนะบอกเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยชื่ออีกอย่างหนึ่งตรงนี้ชื่อมหาบวกอินทะเนี่ยนะมหาก็แปลว่าใหญ่อินทะก็แปลว่าใหญ่มหาแปลว่ากว้างอินทะแปลว่าใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งกว้างครอบครองผู้นะนั้นก็อาจจะเรียกชื่อตามตามคุณภาพไม่ใช่ชื่อที่บิดามารดาแต่งตั้งเป็นพุทธเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้ า, านะนะ ที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะพระองค์นั้นทีนี้เมื่อพระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิยามตรัสรูุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพ ร, ลพระโอรสพระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตได้เป็นทุติยสาวกอัครสาวกองค์ที่สองอ่ะ น, นะสาวกอ่ะ น, นะสาข้างซ้ายข้างขว า, าบุตรของพระองค์เนี่ยนะก็คือน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกองค์ที่หนึ่ง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 องก็เลยอุทานว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมก็ของข้าพเจ้าเพราะพระสงฆ์ก็ของข้าพเจ้าเอาก็ถือว่าโอ้ของเราหมดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นแปลว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโ ต, หะตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะบอโอ้พระพุทธเจ้าของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ของเราที่ออกบวชเป็นสาวกก็ของเรา ก็เลยหมอบลงเท้าเท้าของพระพุทธเจ้าปฏิญญาณนิมนต์นะนะนิมนต์เองเลยว่าใช้อ ำ, อำนาจของปราชานิมนต์เลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้เป็นดุลเวลาที่หมอมชั้นนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณ9 0,000 ปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูของชนเราอื่นช่วง9ก้า0มื่ปีเนี้ยอายุมันสั้นเหลือเกินพันพระองค์ไม่ต้องไปที่อื่นหรอกนิมนต์อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วกัน เพราะฉะนั้นขอจงรับปัจจัยสี่ของหม่อมชันตลอดเวลาที่หม่อมชันยังมีชีวิตอยู่โอขอทําบุญแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปนี่นะเสร็จแล้วพอรับสั่งให้ยปั๊บทําพุทธเถ้าอุปถากรรมคนอื่นไม่ต้องได้ทําบุญกันละพระราชานั้นมีพระราชโชรสคือเขามีมีมเหสีหลายองค์อ่ะนะนี่ก็มเหสีอีกองค์หนึ่งก็มีราชโอรสอื่นอีกสองค์บรรดาโอรสสมองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวารห้าร้อย องค์กลางมีนักรค บ, บริวาร300องค์เล็กมีบริวารอีก200พระราชโอรสสามองเหล่านั้นก็ทูลขอโอกาสกับบิดาว่าพระพุทธบิดานั่นแหละ ว, ว่าหม่อมชันทั้งหลายจยากนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยอยากจะนิมนต์หลวงพี่ผู้เฒ่ า, าเจ้าพี่ก็หลวงพี่นั่นแหละมาเสวยฉันอาหารบ้างทูลอ้อนวอนบ่อยๆก็ไม่ได้นะอยากจะนิมนต์ทำบุญกับพระพี่ชายบ้างพ่อเขไม่ยอมไม่อนุญาต เอาไงดีนะคิดแผนขึ้นมาได้นั่นแหละสั่งให้ทหารสั่งให้คนตัวเองไปทำให้ชนบทมันกำเริบเหมือนโจนปล้นชาวชนบทข่าวมันก็ดังมาจนถึงบ้านถึงเมืองสามพี่น้องพร้อมกับนักรบทั้งพันก็ถูกส่งไปเพื่อระ ง, งับปัจจันตชนบทปราปัจจันตชนบทให้ราบคาบนก็ไปถึงก็ชนะหมดแล้วนะาคนของตัวนี่แหละส่งไปกลับมาสู่สานักพุทธบิดา สำนักพระราชาบอกว่าพระบิดาก็ดีใจสวมกอดพระโอรสทั้งสามจุมพิธีศีสาวา่าโลกทั้งหลายพ่อจะให้พรแก่พวกเจ้าลูกชายทั้งสามโอรสทั้งสามบอกสาธุพระเจ้าค่าดีแล้วก็เลยทาบอกว่าพระองค์ให้พรแล้วเป็นอันให้นะห้ามถอนคืนเด็ดขาดนะกระตัตระสแล้วไม่คืนคำนช่หไหม เว่าพูดผูกพูดมัดพูดร้อยรัดจนบอกว่าอายังไงพ่อก็ให้แน่นอนลูกเรอนี้ก็ไม่ขอตอนนั้นเลยเดี๋ยวนะให้เดี๋ยวให้พ่อสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งวันล่วงไปสองสามวันพระบิดาก็ตรัสอีกลูกรับพรนาไปเถอะพ่ออยากให้เต็มทีแล้วล่ะนนเดี๋ยวจะเสียคำมั่นสัญญาอย่างนั้นอยากให้พรลูกเร็วๆก็เลยได้โอกาสบอกว่าพระเจ้าค้า ความประสงค์หรือความต้องการด้วยสิ่งไรๆอื่นของหม่อมชั้นไม่มีไม่ต้องการอย่างอื่นเลยตั้งแต่บัดนี้หม่อมชั้นจักนิมนต์พระเจ้าพี่สเสวยขอพระราชทานพร น, นี้แก่หม่อมชั้นเถอะตอบทันทีไม่ต้องคิดมากบอกให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ลักลูกว่างั้นไม่ต้องอธิบายบอกให้ไม่ได้เอาถ้าหากว่าพระองค์อนุ ญ, ญาตตลอดไปไม่ได้ขอเพียงเจ็ดปีก็ได้พระเจ้าข่าโอ้ให้ไม่ได้ลูกเออว่างั้น งั้นหปีก็แล้วกันบอกไม่ได้ห้าปีไม่ได้สี่ปีโอ้ยิ่งไม่ได้เลยสามปีก็ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกันสองปีก็ไม่ได้ปีเดียวก็แล้วกันปีเดียวก็ไม่ได้เจ็ดเดือนแล้วกันเนาะไม่ได้ห้าเดือนไม่ได้สี่เดือนไม่ได้สมเดือนล่ะอให้ไม่ได้หรอกนะ โลกก็บอกโอ้โหนี่มันลดกันต่อรองเจ็ปีเหลือสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้อีกเอานี้แล้วกันบอกช่างเถอะพระเจ้าค่ะขอพระองค์พระราชทานสักสามเดือนแก่ข้าพระองค์เป็นว่าคนละเดือนกันแล้วกันอันนี้ครั้งในครั้งยื่นคําสุดท้ายนะอาจจะ จ, จะมีคําหน้าคําหลังก็ได้บอกว่าถ้าต่ําวันนี้ไม่รับแล้ว น, นะพอก็บอกสาธุถ้ากันนั้นเจ้าจงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้สเสวยสามเดือนเธอ